ดูใจตัวเองนะมาวัดแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดจิตเราอยู่ที่วัดด้วยไหมเรามาวัดแล้วต้องเพียรให้มันเต็มที่เพียรก็เพียรสร้างเหตุพู้เจ้าก็บอกเอาไว้เพียรสร้างเหตุคือเพียรปฏิบัติส่วนผลวางเอาไว้แล้วแต่แล้วแต่สภาวธรรม ในเมื่อเราตั้งใจมาแล้วจนกระทั่งมาถึงวัดแล้วเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้ากับสาวกของพระองค์เราก็ทำอย่างที่พระประสงค์ของพระองค์อยากให้สาวกของพระองค์ทาก็คือปฏิบัติปฏิบัติก็คือมีสติสํารวมจิตใจเอาไว้ไม่จาเป็นไม่ต้องพูด ธรรมะเครื่องขัดเกลาไม่ยู่สิบอย่างอภิชตามักน้อยไม่เป็นคนมกักมากวิ่งตามกิเลสตัณหามักน้อยไว้เอาพอดีพอสมควรแก่ฐานะเรายิ่งเรามาปฏิบัติเนี่ยมันรัดกุมเข้าไปมาฝึกตัวเองสันตุสันตุถี สันตุดะสันตุกระถาพูดเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความสันโดษสันโดษพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าหาว่ามันจะได้มากก็พอใจถ้าหากว่าเราสามารถหาได้ตามกำลังของเราสามารถมันเกิดขึ้นได้ให้พอใจได้น้อยก็พอใจว่าเออมันมีพอดีแล้วพอสมควรแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมมันมีมากกา็เออเอา พอใจว่าเราพอที่จะหามากได้แต่ว่าให้มันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติไม่คุกครีไม่เป็นไปเพื่อความคุกครีต้องหลีกเล่นากายวิเวกปีกออกไปอยู่ตามลำพังมันมีโอกาสได้ดูตัวเองมาก วิเววิบวกเอกะอยู่ผู้เดียวอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวมากมากให้มากที่สุดเนี่ยให้จิตเนี่ยมันเข้ามาอยู่ภายในตัวเองน่ะหลักการมันมีอย่างนี้นี่พูทธเจ้าพร่ำสอนนะไม่คุกคีพูดก็พูดน้อยพูดเท่าที่จำเป็นน่ะสำรวมเอาไว้เพราะอะไรเวลาจะพูดมันต้องปรุงก่อน ปุงคิดแล้วก็พูดไปตามความคิดของเรามันก็ออกไปยิ่งสนทนากันมันก็ยิ่งออกมากต้องสำรวมเอาไว้เพราะเรามาวัดแล้วเรามาเพื่อการปฏิบัตนะิเป็นไปเพื่อความสงบสงัดเนี่ยอยู่อย่างสงบเงียบอยู่คนเดียว ไม่คุกคีพูดก็พูดแต่น้อยพูดเท่าที่จําเป็นแล้วก็มีความเพียรฝาลบความเพียร น, นี่แหละเพียรเพียรทั้งทางกายภายนอกเพียรภายในคือเพียรทางจิตกายก็ต้องมีการเดินชงกรมมีการนั่งสมาธิทําอะไรก็มีความสัําูรณ์ระวังนี่เรียกว่าเพียรภายในก็ให้ทันพยายามควบคุมจิตของเราระมัดระวังจิตของเราเนี่เพียร ทังธรรมเรื่องศีลศีลก็ทําให้เราเนี่ยสำรวมระวงังจะพูดก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาน่นะเรื่องความหลุดพ้นให้มีกําลังใจวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะ์นี่มันให้ดูซิเนี่ยพระเจ้าสอนน่ยตรงเข้ามาหาจิตเพื่อขัดเกาจิตแก้ไขจิตทั้งหมดเลยแต่ก็พอใจปฏิบัติส่วนผลแล้วแต่มันก็จะเป็นไปตามลําดับ จ่ให้มันได้วันเดียวเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องเพียรต่อไปพยายามต่อไปอย่างน้อยมาวัดแล้วให้เราได้ทําเต็มที่ให้เรารู้สึกว่าโอ้เราเสียสละมาแล้วเราได้พยายามเต็มที่เต็มกําลังสติปัญญาความสามารถของเราผลเป็นยังไงที่นี่เออคราวนี้ผลมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะได้เห็นผลของการปฏิบัติของเราว่ามันเกิดขึ้นยังไงเนี่ย แล้วเวลานั่งสมาธิอะไรก็ระวังนิวรณ์ห่วงซึมเนีย่ยไปนั่งซึมนั่งหลับอยู่มันไม่ได้ต้องให้มันตื่นไว้ให้มันรู้ตัวไว้อันนี้ทุกคนต้องแก้ไขนะไม่ใช่จะรอให้อาจารย์ไปแก้ให้ไม่มีใครแก้ให้เราได้นอกจากเราแก้ไขตัวเองะให้มันตื่นอยู่ตลอดรู้ตัวทํายังไงก็ได้มันรู้ตัวไว้อย่าให้มันเป็นนั่งหลับ ถ้านั่งหลับไม่ได้ประโยชน์แล้วมันก็ติดด้วยพอมันติดแล้วมันก็ซึมมันก็ไม่ก้าวหน้าเตรียมตัวนะบอกกับตัวเองไว้วันนี้เราจะพยายามตั้งใจปฏิบัติพยายามมีสติเต็มที่เอาวันเดียวเอาวันนี้จะทำให้ดีที่สุด จะพยายามมีสติทุกกิยาบททุกการเคลื่อนไหวทั้งทางกายแล้วก็จิตใจสำรวมไปทุกสิ่งทุกอย่างเอาวันนี้แหละไม่ต้องไปคิดถึงวันพรุ่งนี้มันลืนนี้เดือนหน้าปีหน้าปีไหนไหนชาติหน้าไม่ต้องเอาวันนี้วันเดียวเราสำรวมเต็มที่เอาแต่ละวันแต่ละวันนี่แหละให้ดีที่สุดเลย แล้วก็ให้อุทิศบุญนะอุทิศบุญเองเลย